ขออนโมทนาสัตวการละท่านสาธารชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดถึงมธทรสูตรในมัชิมนิกายหรือเป็นพระสูตรที่เกิดขึ้นหลังพุทธปริพานธ์นการสนแสดงของพระหมหาสาวกผู้ใหญ่คือพระหมหากัจจายนะประบัติของพระหมหากัจจายนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟัง ที่เป็นสังกัดจายนะฮะเป็นสังกัดจายท่านเป็นพราหมณ์ุโรหิตรูปหล่อมากแล้วก็ใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าคือถ้ามองไม่สังเกตแล้วก็นึกว่าพระพุทธเจ้าท่านบวชตั้งแต่เป็นหนุ่มพระพุทธเจ้าศัสรุใ้ใหม่ๆเป็นพระรุ่นหลังใกล้ๆเคียงกับพระภาษาดิบุตรพระมากัจสปากในใกล้เคียงกัน แต่ยุทธังคงยืนมากนะเพราะว่าตอนรู้ยจานิผ่านแล้วก็ยังอยู่แต่แปลกที่ไม่ได้ไปอยู่ในที่สังขยานะอันนี้ก็เป็นที่สังเกตกันอยู่มากนะว่าระดับนี้ทําไมไม่ไปอยู่ในที่สังขยาณาก็คงจะเป็นเพราะว่าท่านไปอยู่ทางอินเดียเหนือทางอุเชนีคือมันไกลกันไปเยอะ ถึงไม่ได้มาในที่นั้นแต่ท่านเป็นนักเทศที่คนเคารพนับถือมากและมีเรื่องแยะนะฮะเกี่ยวกับท่านเนี่ยแล้วครวหนึ่งเสด็จไปประทับที่บ้านเดิมของท่านคือที่อวันตีอวันตีเป็นแคว้นนะฮะเมืองหลวงชื่ออุจเจนีพระเจ้าจันฑบัตรโชต์ซึ่งเป็นกษัตริย์ยุคที่ท่านเป็นปุโรหิตเนี่ย ก็คงที่วงคตแล้วนะครับเพราะว่าชื่อพระราชาเปลี่ยนไปแล้วก็พระเจ้ามัทุราชวันตีบุตรเคชื่อแปลกนะเห็ น, เนว่ามันก็แนวเอาชื่อเอาชื่อแคว้นเอาชื่อเมืองเอาชื่อโคตรเอาชื่อแม่เนี่ยฮะมาไปชื่อตัวเนี่ยมันก็เป็นเป็นตำ เ, เนียมสมัยนั้นสารีบุตรลูกของนางสารี โมกขลานะลูกก็นางโมกัลีคือคือคือแทนที่จะมีจะเรียกชื่อตัวเองก็ไม่ได้เรียกเขาเรียกชื่อแม่ชื่อแม่ชื่อแคว้นเรียกชื่อเมืองเรียกชื่อโคตก็ได้ทราบข่าวว่าพระมหากรเจยนะมาในที่นั้นมาพักอยู่ในป่าแล้วก็ทราบเกียรติคุณว่า พระมหากระจายนั้นเป็นพระเทระที่เป็นผู้สูตรทรงธรรมทรงวินยัยมีความรอบรู้เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีความมั่นคงแล้วก็ท่านสรุปรวมว่าการได้พบเห็นพระเทระที่มีคุณสมบัติในลักษณะนี้เป็นการดีือเป็นประโยชน์อันนี้ท่านจะลองสังเกตมุมมองนะฮะ ม อ, มองที่เราเห็นได้ชัดว่าลักษณะทางสังคมในแ ต, ต่ลิวแต่ละสมัยหนังสือที่แจกกมาก็าวิเคราะห์ให้ดูเป็นตอนๆ น, นะฮะเอากราฟมาสูตรมาเป็นหลักคือไม่ใช่เรียนเฉพาะประสูตรอย่างเดียรเรียนสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองพร้อมนะคือมองอินเดียยุคพุทธกาลให้ดูให้เห็นว่าความโน้มเอียงความสนใจของคนในยุคนั้นเนี่ย สนใจข่าวคราวความดีก็สนใจข่าวคราวคนดีเป็นยุคตื่นคนดีถ้ามีข่าวคราวคนดีปรากฏในที่ใดแล้วเนี่ยท่านถือว่าเป็นลาบเป็นมงคลมันก็ตรงกับมงคลข้อที่ว่าสมนา น, นันจะดัชนีในการพบเห็นท่านผู้สงบนี่เป็นอุดมมงคลเอ่อัตสินใจแบบง่ายๆนะฮะว่าการพบเห็นท่านที่มีคุณธรรมเช่นนี้ บัลลีจริงๆก็าแปลว่าให้สําเร็จประโยชน์คือแปล่าจากสาธุนี่เองฮะแปลว่าให้สําเร็จประโยชน์คือให้เกิดประโยชน์ในเป็นความดีติดถ้าเรถาถลมองสังคมเราปัจจุบันการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสิ่งต่างๆเช่นสมมติว่า ชวนชวนนั่งกรรมฐ า, านชวนฟังเทศชนชวนปฏิบัติธรรมสนทนาธรรมอะไรแต่ได้ไม่มีทางฮะที่จะเอาคนมาได้เป็นพันอ่ะนะถ้าลองแจกรเครื่องลองอะไรลองดูนะจะดึงคนมาเป็นหมื่นๆได้ได้นี่คือลักษณะความโน้มเอียงความสนใจก่อนสังคมที่มันมีความแตกต่างกันเมื่อวานไปพิปรายกันที่สภาวิจัยแห่งชาติ เร่อ บ, บ้านวัดโรงเรียนนะฮะเรื่องบวรทิศ ด, ดีบวรที่เราที่เชียรกันนะก็พูดถึงอุดมคติพูดถึงสภาพการที่เป็นจริงนะฮะพูดถึงเป้าหมายก็มาก็เชียร์ที่ประชุมฟังในฐานะพี่ปลายคนแรกบอกว่าที่จริงถ้าพูดถึงหลักการเดิมมันดีทั้งนั้นแนหะ เราต้องมองสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราต้องยอมรับตัวที่เป็นปัญหาแล้วก็ศึกษาสาเหตุของปัญหาด้วยจึงจึงจึงจะคิดถึงวิธีแก้ปัญหาเนี่ยเพราะเด็กเด็กเนี่ยมันมั น, มนคล้ายๆกระตกอยู่ในสภาพสุญญากาศคือเรามองภาพส่วนใหญ่หนนะลักษณะสังคมมันเปลี่ยนเยอะแล้วสังคมไทยเปลักษณะโดดเดียวคนมากจริงเดลยวมีลักษณะโดดเดียว เด็กแทนที่จะเติบโตขึ้นมาทำกลางมือของปู่ย่าตายายซึ่งมีวิญญาณรักหเลี้ยงเด็กมาตลอดมันไปอยู่มือคนใช้ซึ่งมีลักษณะเป็นธุรกิจจ่ายมากก็เลี้ยงดีหน่อยจ่ายไปมากว่างว่างก็ให้กินยา น, นอนหลับได้เลยได้นนหลับคนใช้ก็ไปนั่งคุยไปเที่ยวก็ว่าเรื่อยๆไปมันจะเห็นว่าเด็กดิกเติบโตด้วยขาดวิญญาณรักขาดวิญญาณอบอุ่นเด็กเราจึงมีลักษณะก้าวร้าวแล้วก็ไม่ค่อยกโรคทั้งผู้ให ญ, ญ่ เป็นเรื่องของความเจริญเติบโตนในสภาพสังคมอย่างหนึ่งแล้วข้าวล่านี้มันก็แรงมากยิ่งขึ้นทีนี้ไอ้บ้านวัดโรงเรียนเองเนะฮะบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดประสานงานเหมือนเมื่อกอ่อนเพราะเมื่อกอ่อนมันอยู่ในวัดโรงเรียนมันก็อิทธิพลของวัดเวลานี้โรงเรียนตั้งอาณาจาักรอิสระขึ้นมาวัดวเนี่ยก็ทําอะไรก็เกรงใจวัดที่ไหนวัดนั่งกรรมฐ า, าตนตรงนี้ก็เล่นดนตรีตรงนั้นน่ะนะ เขาบรรเจ้ายุติจกักรเขาอาณาจาักเขาอะยึงต่างยิ่งหวาดึงแล้วใหญ่ขอแยกที่ดินให้วัดให้ที่ดินแก่โรงเรียนนะฮะแต่โรงเรียนไม่เคยให้วัดฮะขอวัดอย่างนั้นอย่างนี้นี่ขอหลังวัดอีกลแล้วแล้เสร็จแล้วมันก็ตั้งอาณาจาักอิสระคือวัดเนี่ยไม่พูดอะไรก็ไม่ได้นึกจะทําอะไรบางทีสภ า, าการศาลนี่พระไม่ต้องเรียนทั้งวันเลยฮะเด็กซ้อมดนตรีขนาดสอนไม่ได้ นี่นี่คือลักษณะอาณาจักรเดียเพราะงั้นไอ้ความเป็นหนึ่งกันเดียวที่จะมุ่งไปสู่เด็กอภิบาลเด็กด้วยการบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยมันไม่มีการประส า, า, านแลาต้องกลัวมันเปลี่ยนเยอะความโน้มเอียงความสนใจของคนในสังคมเนี่ยมันไปสนใจสิ่งซึ่งกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันการยื้อแย่งการอวดม้างอวดมนะีการแสดงสถานะกันะแม้แต่รถนึงก็แข่งกันนะเดี๋ยวนี้เบนหกร้อยมาแล้วนะ มันก่อนเนี่ยเขาในวโรนามาไปเจิมเป็นหกร้อยอ่ะเอามาเจอไ ม, ม่เจอไ ม, ม่เป็นอ่ะแ ต, แต่ว่าพอดีก็ไปวัดสเกตบอกเอาไปพกกันที่วัดสเกตสมเด็จเจมแล้วกันมาก็นั่งดูนะเพราะอ้คนนี่มันสร้างทุกใส่ตัวเองอ่ะถ้านั่งรถไม่่อยแพงเท่าไหร่เนี่ยขับคนเดียวมีคนขับหนึ่งคนก็พอแล้วแต่นี้พอรถนั่งเป็นราคาเก้าเก้าล้านกว่านะ มีทหารหนึ่งคนกับตำรวจหนึ่งคนเป็นปฏิกัดมีคนขับหนึ่งคนแล้วตัวเองก็นั่งถูกทหารกับตำรวจเบียดรถทั้งใหญ่ยังไปนั่งเบียดกันอยู่โง่ไม่รู้เรื่องเลยนั่งสบายสบา ย, บายไม่ได้เหยียบแขรงเหยียบกาก็ไม่ได้ทหารกับตำรวจมานั่งเียดอยู่ผนั่งก็พกปืนด้วยนะฮะนี่ก็คือคื อ, ค, อคือเราจะเห็นว่าเป็นสังคมที่ มุ่งไปในทางเขาเรียกว่าปนปลือนะฮะ ป, ป, ป, ป, ปนปลื้อนปลุงเรือตัวเองเพราะในปัญหาต่า ง, างๆเ ง, งื่อนไขต่างๆที่จริงมันมันมันมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนั่งเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันมาอย่างนั้นเนะี่ยกลากับปลูกต้นมะม่วง <_ s 2> ผมก็ต้องออกมาเป็นมะม่วงอยู่แล้วมไม่ต้องพูดอะไรอัั้นถ้าคิดจะแก้มันต้องแก้เยอะมันต้องแก้อะไรกันเยอะแล้วเราจะแก้ได้หรือเปล่าแม้แต่ปัญหาเกินปากปูนก็จะตายไม่ตายแหลอยู่เนี้ พราะงั้นเรามองด้วความโน้มเอียงแนวนี้นะฮะเราจะเห็นว่าคนสมัยนั้นเนี่ยท่านจะมองอย่างนั้นเนี่ยท่านจะแห่กันมาเลการพระเห็นพระพุทธเจ้าเช่นนี้เป็นการดีเขาก็มาเขาก็แห่กันมาก็ตื่นเต้นฮะตื่นเต้นคนดีตื่นเต้นความดีสนใจธรรมะอยากรู้ธรรมะใจมันเป็นไงใจมันยอมรับนังตือศรัทธาไม่ได้มุ่งชี้ สิ่งซึ่งเป็นรูปธรรมที่ตนจะได้จากพระแต่มุ่งถึงตัวความดีที่ตัวเองจะได้เพราะมันมันมันก็ไม่มีความเดือดร้อนอะไรที่จะเออวันนี้ไม่เห็นหลวงพ่อยไม่เห็นแจกอะไรขอเลขเด็ดหน่อยมันกราบพระมันขอเลขเด็ดนะหลวงพ่อขอเลขเด็ดหน่อยหลวงพ่อขอพระเครื่องหน่อมันก็ต้องขออย่างนี้นะฮะ มันมาต้องการสิ่งที่เป็นรู ป, ปธรรมมากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมซึ่งในสุดมก็มีปัญหาไปเนี้มันก็เกิดมีปัญหาปรบรบกันเมื่อคืนก็คุยกันเมื่อวานก็คุยกันหลายวันมาแล้วครับปรบรบเรื่องสถานภาพทั้งหลายเนี่ยจะแก้กันยังไงเมื่อกูเมื่อกูเมื่อวานก็ไปชุมกันตั้งสามชั่วโมงเดีว่าคิดไม่ออกนะคิดได้แต่ว่าทําไม่ได้ก็จะทํำยังไงเรื่องมันใหญ่เป็นปัญหาภูเขา เมื่อท่านมาแล้วเนี่ยท่านมาเพื่อได้สิ่งที่ท่านอยากได้การมาในคราวนี้ก็คือความสนใจความค้่องใจติดใจถึงความเชื่อในรัีิพราหมณ์เพราะกษัตริย์ก็นับถือราบนะครับแต่มาถึงก็เรียบร้อยตามธรรมเนียม น, นะฮะ แ ต, แ, ตแต่แต่แต่ลักษณะการมาเนี่ยยังเคยเล่าในบอประชาสูตรพระเจ้าพิมพิสารที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าลักษณะมาเฝาเ้าพระเจ้าของกษัตริย์นี่แปลกคือจะมาด้วยยานช่วงหนึ่งแล้วพอถึงเสียงยานที่จะดังเข้าไปถึงประกันเนี่ยเขาจะหยุดเลยไม้เสียงเสียงเนี่ยเข้าไปไอ้จะหยุดแล้วเดินเดินนั้นจะมีคนตามมาช่วงหนึ่งพอใกล้ที่ประทับเนี่ยจะไม่ให้คนตาม จะเข้าไปลำปังนี่คือคือกษัตริย์ที่เขาเข้าเฝ้าหรวพ่อจาเข้าเฝ้าอย่างเงี้ยเจ้าพิมิทสาเระิทธินี่ก็สสัจะเข้าเฝ้าในลักษณะนั้นคือให้ความเคารพมากกลัวจะมีเสียงดังรบกวนกลัวจะวุ่นวายอะไรต่วไหเนี่ยนะลักษณะที่ที่ที่รู้สึกว่าท่านท่านปฏิบัติเนเหมือนกันนะฮะลองสังเกตพวกกษัตริย์ที่ผู้ใหญ่ทั้งหลายในยท เมื่อกราบไหว้เรียบร้อยแล้วท่านก็อย่าลืมนะฮะไม่รู้จักกันเดวใจในยอมรับนับถือว่าคนมีทุบัติอย่างเงี้ยดีก็มาถึงก็เลยไหว้ได้ที่เราพูดถึงการไหวนะ้การไหว้ในปัจจุบันที่จริงลักษณะทั้งกรมไทยวนนี้มีปัญหานะแม้แต่การไหว้แต่ยงมีปัญหารารู้ตัวอย่างง่ายๆว่าเด็กโรงเรียนวันอานะทิตย์ซึ่งเราพยายามหล่อหลอมเด็กรุ่นนี้ขึ้นมา ทุ่มเทเงินทองเสียเงินเสียทองกันเยอะแยะเลยหนึบเนียนเหนยกันแต่เด็กรุ่นนี้ปรากฏว่าใครสอนแกว่าคนนั้นนั้นเองพระอื่นเดินสวนเนี่ยคอยหลบเด็กให้ดีกแล้วกันมันเด็กชนออกมันเปลี่ยนไปแยะเปี่ยนไปแยะเมื่อวันซื้อ น, นี่ยลูกศิษย์สติวิทยาที่เคยสอนก็ตอนนี้รู้สึ ก, กเป็นร้อยโทแล้วก็มาก็ก็เล่าเรื่องทำไมอาจารย์อมาสอนเขาเนี่ย บอกเออทุกวันเนเด็กมันเปลี่ยนไปนทุกวันจะก็สอนนะสติวิทยาฉันสอนตั้งแต่หนึ่หนึ่งจนถึงทุกวันเนี่ยนะลูกศิษยเป็นหมื่นหมนเนี่ยนะนสติวิทยาฉันสอนเองนั่นเละแต่ว่าเด็กรุ่นนี้ไปเจออาจารย์เนี่ยมันไม่ไหวนะมันไม่รู้จักแต่เด็กรุ่นก่อนมันรีมาเลยครับไเห็นบางทีข้ามถนนมาเลยไปเห็นเห็นเดินบินตาบาดนะข้ามถนนมาเลยมาถึงไม่มีอะไรมาไหว้ทัานเองไหว้แล้วก็เดิน ที่ก็จบโตเป็นสาวไปแล้วเราก็จำไม่ได้แล้วมันเด็กมันเยอะมาถึงบอกว่าหนูเรียนสบอกอาจารย์นี่คือคือความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นในยุคที่เราที่เราเกี่ยวข้องกับเด็กมาเองมันก็เปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นว่าความเคารพรักถือในภาพรวมเนี่ยมันไม่ค่อยมีหมายคามยังไงหม้ความว่าใจมันเกิดแบ่งแยกแล้วใจมันเกิดแบ่งแยกคือจะเกี่ยวข้องกันเฉพาะคนที่ผูกพันกันเท่านั้นเอง ลักษณะโดดเดี่ยวนะฮะคนมากในสังคมโดดเดี่ยวลักษณะทางนั้นของจะโดดเดี่ยวแม้แต่ตามแฟดตาม อ, อ, อะไรนะถาวห้าว่าอะไรก็แต่อันจะมีลักษณะโดดเดี่ยวแล้วก็จะมีความโน้มเอียงไปในแนวเรียกว่านับถือเทวราองค์เดียวซึ่งถ้าหากว่าเราแก้จุดนี้ไม่ได้เนี่ยเอกภาพภายในภายในศาสนาเองอยังรักษาไว้ยาก ไม่ต้องพูดถึงชาติ่ตชาติของคนเยอะนะไม่ใช่ศาสนาเองเราศาสนาเพราะแนวของคนสมัยนั้นเนี่ยนะคือท่านมองพระเป็นพระเท่านั้นเองพระก็คือพระเท่านั้นเองไม่ได้ติดใจว่าเป็นพระอะไรพระก็คือพระถึงแนวนี้ที่จริงยังมีอยู่มากนะะยังมีอยู่มากแต่เราไปตามทังคมชนบทอะไรแต่ไรเราก็จะเจอภาพตอนนี้น ข้าไปลึกๆหน่อยอยู่ริมถนนแล้วกันนะนะริมถนนก็เรียกความเบเรินความเสื่อมไม่ร่ว ม, มันไปตามถนนนะทีนี้เมื่อเข้ามาเนี่ยท่านก็ถามถึงความคิดของพรามที่มีการเผยแพร่ ก, กันอยู่ ในเรื่องวันณ้นะว่าบรรดาวันณะทั้งหลายเนี่ยพราหมณเป็นวันนาประเสริฐเป็นวันณะสูงสุดเกิดจากพรมเกิดจากโกดของพระพรมเป็นพรมผู้สร้างวันณะอื่นนั้นเป็นวันณาต่ำวันณาดำอะไรต่ออะไรคือพวกพรามมันจะโฆษณาเป็นสูตรลักษณะโฆษณาเป็นสูตรเนี่ยจะมีการตอกยำ้ำตอกย้ำพอนึกถึงน้ำก็ น, นึกถึงนั้นท่านทั้งหลายลองสังเกตว่ายังเราในปัจจุบันเนี่ย อย่างน้อยสองอย่างนะที่คนทั่วไปสั่งซื้อไปซื้อแฟบหน่อยซื้อผงซักผ้านะที่จริงซื้ออะไรมาก็ได้แต่นี้แฟบเมันมันมันติดมันติดหูมันติดปากพอพูดถึงผงซักผ้าก็ซื้อแฟบหน่อยปากกาเมื่อก่อนเชไนเดอร์ต่อมาบิ๊กฮนะตัวปากกาบิ๊กบกหายไปแล้วนะทุกวันเนี่ย แล้วก็ยังเรียกวิกกันอยู่เนี่ยมันเหมือนกับไม้ไม้ในบ้านนอกเนี่ยยีหย่ห้อชัวเนี่ยมันดังไม้ในเขาเรียกชัวแล้วก็ซื้อชัวหน่อยนี่คื อ, ค, อคือลักษณะตอกยา้ยายา้ำย้ำจ้ำจนติดติดก็กลายเป็นมันคล่อมปากซื้อน้ําดื่มก็เป๊ปซี่นะฮะน้ำดื่มก็เ ป, ป๊นะ ป, ปซี่หน่อยก็ไม่รั่วอะไรไม่ไมรั่วจริงๆซื้ออะไรมาก็ได้ก็ไม่หวาอะไรนั้นเป็นภาษาเรียกครุมทุกเรื่อง เพราะมันมีการสร้างจนกลายเป็นอุปาทานพรามเองมันก็หลงหลงประเด็นตรงนี้นะะมันมีการตอกย้ําอย่างที่บอกตะกี้เนี่ยว่าเราตอกย้ำมันก็สร้างอัตตาแค่ไหนเรื่อยๆจะเรา เ, เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นที่บอกว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นอะไรนะอย่างอาตมาเองนี่ก็โดนทับมาหลายชั้น น, นั่นเนี่ยนี่ตอนนี้เป็นพระอาจารยนิเทศนะคนก็เรียกทุกเรื่องไงฮนะเรียกท่านรับแบบมั่งเรียกท่านหมารับแบบ เรียกเรียกเรียกเจ้าคุณโรพลเนี่ยยังเยอะเลยนะโสพลเนเองเยอะไปที่ไหนนี่ก็แล้วแต่ใครจะเรียกที่จริงมันไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างเนนะฮะอย่างพระเตี้มาถืออยู่เนี่ยเจ้าของตายไปกี่คนนะมันดำดำเห็นเพืเ่อนเพื่อนช้ตายมาแล้วรู้กี่คนนะก็ไม่ให้เราไปเดียวเราก็ตายต่อเอคนอื่นก็ใช้ต่อไปนะฮะแต่แล้วก็เป็นต่อคือเราไม่ได้เป็นจริงเราไม่ได้เป็นจริงแต่เราไปยึดถือว่าเราเป็นจริง แต่เป็นจริงมันก็หลงตัวเองแล้วก็เมื่อไปเที่ยบกับพระรพรหมหรือพรหมสูงสุดสพวกนั้นก็ไปเกี่ยวเกาะกับพระรพรหมมันใล้ๆกับอะไรใกล้ๆกับเ ล, ย, ล, ย, ล, ย, ลยขานายกบางที่มันใหญ่กว่านายกนะมันเราตัวไปเกี่ยวไว้กับนายกตันวนโบราณนี่ยเขาผู้ฤทธิศ์ศสมภารหลานเจา้าวัดคนใหญ่จังนะแม้แต่หมาเจ้าจวาดัดตัวใหญ่จังเลใครแต่จริงๆมันไม่ใหญ่หรอกแต่มันไปเกาะกับตัวใหญ่ พวกเละคงเลขาคุณจะเห็นมันใหญ่ทั้งนั้นน่ยทีจริงมันไม่มีอะไรมันมันมันไปเกาะกับตัวใหญ่แล้วไปหลงตัวเองก็คิดว่าตัวเองก็คือตัวนั้นพรลพรามเองเนี่ยก็ถือเมื่อเมื่อพรมสูงสุดก็เข้าใจว่าตัวเองก็ต้องสูงสุดเพราะตัวกันมามาจากพระพุทธก็สร้างกันเรื่อยๆร่างกายเป็นอุปาทานเป็นที่ถุกปาทานเป็นที่ถูกป่าทานเหมือนก็เหมือนก็อัตวาทุปปาทาน ที่ถือว่าทะว่าตัวเป็นอย่างนั้นตัวเป็นอย่างนี้จนถึงก็ยึดถือในพวกพระเวงพระเวทอะไรแต่ไรเนี่ยกายขอความถูกต้องแล้วพวกนี้ก็ไม่ยอมคิดพอใครไปคิดก็จะโกรธก็จะโกรธจำเว็นก่อนมีคุยกันนะักการศาสนาใหญ่คนหนึ่งคุ้นกันมากกันนะคุนกันมากก็เาเอาหนังสือมาให้มาเรื่อยเนั่งคุยกันนานๆคนหนึ่งเป็นนั่งอธิบายอธิบายภาพสถานที่ตอนวันพิพากษา แต่ก็ภาพมาให้ดูด้วยนะอนไหนพิพากษาวันนี้ท่านจะคุณต่อไปในวันพิพากษาเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายจะฟื้นขึ้นมาทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วจะมาชุมนุมกันที่นี้พระเจ้าก็จะเสด็จมาจากจสวงสวรรดิมาพิจารณาโทษความดีความชั่วของมนุษย์เสร็จแล้วจะพิพากษาให้เป็นไปตามการกระทาของคนตอนนั้น เราไม่เอาประเด็นอื่นเราไม่อยากพูดเรื่องพระเจ้าเนะฮะเราอย่าพูดเรื่องพระเจ้าแต่เราต้องการเชีย่ยวเห็นว่าตรงเนี้ยถ้าคิดแล้วเนี่ยมันเป็นความล้มละลายแล้วถามว่ามนุษย์เมันมาอย่างไงที่พื้นขึ้นมาจากหลุมเนี่เอาแล้วเปื่อยเป็นขี้เถ้าหมดแล้วก็เอาแล้วพื้นมาแล้วกันอพื้นม า, มาในมาในสภาพอะไรมาในสภาพที่มีเนื้อหนังมังสารสมบูรณ์อย่างเงี้ยแกบอกก็เป็นอย่างเงี้ยคือเคยเป็นยังไงรูปร่างมันก็มาอย่างนั้นแล้วก็มาเป็นมาอย่างนั้น บอกว่โยมต้องคิดนะว่าคนเนี่ยมันกินเนื้อที่คนที่ตายไปแล้วนี่กี่หมื่นล้านมันไม่จะทำกี่พันล้านโลกนี้มันมีกี่ล้านปีแล้วแล้วมันตายไปกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านแล้วไม่รู้แล้วถ้ามันลุกขึ้นปลึบขึ้นมานี่มันเต็มหมดเลยโลกเนี่ยมันเดินไม่ได้แล้วมันเหยียบกันตายหมดเลยมาถึงที่พิพากษาไม่ได้มันเหยียบกันแดงวีเพี้ยงพิพากษากันแดงตายหมด อันนี้คือคือสิ่งที่ว่าถูกตอกย้ำจนเราไม่มีโอกาสใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ความคิดอะไรพวกพราหมณ์มันก็เป็นอย่างนั้นแะมันจะโฆษณาประชาธมพันเยอะเลยในในพระบาลีที่ที่ว่าออคนก็ตั้งปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะในมัชิมนิกายในนี้เยอะแล้วก็พูดกันหลายแนวนะพระหมหาการจานะนั้นท่านไม่เอาจุดนั้นท่านจุดนั้นขึ้นมาพูดท่านตั้งประเด็นใหม่ ตัง้งประเด็นใหม่ท่านยกขึ้นมาทีละวันนะนะแต่เราคงไม่ต้องยกขึ้นมาทีละวันน่าหรอกหม้ความมากัสสัตย์ก็ดีพราหมณ์ก็ดีแพทย์ก็ดีสูตรก็ดีแม้แต่จันทานก็ดีเอาละคนละเนี้ยมีความหมั่นขยันมีความตั้งใจอุตสาห์พยายามสร้างตัวพัฒนาตัวเองขึ้นมามีฐานะร่ามัง่งคั่งร่ารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยากทราบว่าไอคนวันนะอื่นนี่พร้อมจะเป็นลูกน้องคนหล่อนี้ พร้อมจะไปเป็นลูกจ้างพร้อมที่จะรับใช้พร้อมจะทํางานให้คนเหล่านี้ไ<ด>กษัตริย์รวยคนอื่นพร้อมที่จะรับใช้เอาแหละเปลี่ยนจากกษัตริย์มาเป็นสูตรเลยพวกสูตรรวยขึ้นมาเป็นเศรษฐีไลยพวกกษัตริย์พวกรามพวกแพทย์พวกสูตรพร้อมจะเป็นลูกน้องคนเหล่านี้พร้อมที่จะรับใช้พร้อมจะตื่นตื่นก่อนนอนทีหลังนะฟังคําสั่งปฏิบัติต่างคาสั่ง แบบแบบลูกชายไอแบบแบบคนชายทั้งหลายนะพระเจ้ามัทุราชท่านบอกว่าก็เป็นอย่างนั้นเพราะสภาพตงกบจริงๆมันเป็นอย่างนั้นสมัยของอินทีราคาร์ตีแจ็คชีวันรามนะฮะรัฐรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ต่อตอนรบกับอินเดียนะฮะตอนรบกับอินเดียเนี่ยไอไม่ใช่ตอนรบกับปากีสถานนะฮะแจ็คชีวันรามนั้นเป็นสูตรนะฮะ เป็นคนในวันณสูตรรถประจําตําแหน่งไม่มีที่จอดนะฮะเพราะบ้านแกเป็นกระท่อมดินรถประจําตําแหน่งไปส่งเจ้านายแล้วต้องมาจอดที่กระทรวงเพราะไม่มีที่จอดก็อยู่เหมือนเดิมนะฮะก็อ ย, อยู่ในในสูตรกระท่อมดินเล็กๆแต่จริงๆคือคนวันนสูตรหรือเรเอเมริกา่างเงี้ยนะฮะรเอเมริกานต่คนพื้นภูผู้ศาสนาในะอินเดียก็คนสูตรนะ อบเมริกาจริงๆไม่ใช่ศูนย์ทั้จันทานทนะครั้ไปฮะณฐานจันทานคือผสมสองวันนะแต่ก็เป็นบิดาแห่งรัฐธรรมนูญของอินเดียทุกวันมีหนูสาวรีเยอะนี่คือความจริงเพราสะสภาพสังคมจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนไม่ได้มองภาพสังคมแต่เป็นภาพกว้างๆงดูเลยมาตั้งอยู่ที่อัตราตัวเองในที่สุดมันก็เป็นหลงตูงนั้นเพรปิ้ล พระหากับเจนะก็บอกว่าเนี่ยที่อาตมากล่าวในกายอย่างเนี้ยคือการที่พราหมณ์ก็พูดอย่างนั้นก็เดียพูดเป็นบรรณาเขาบรรณาบริสุทธิเ์เป็นผู้เป็นเป็นพระสงฆ์พูดพูดสร้างเกิดจากโอดของรมอะไรก็ตามจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือคนจะเป็นอะไรมันอยู่ที่การกระทำของเขาประการที่สอง ให้เราตั้เกตว่าประการนี้ข้อ น, นี้พระเจ้ามาทุราตวันตีวินิจฉัยได้ทันทีเลยเพราะอะไรเพราะว่าสภาพสังคมมันมันบอกนะฮะมันก็เห็นกันอยู่ในบ้านในเมืองนั่นแหละคนมันเยอะไปพวกจันทานที่รวยพวกพราหมที่เป็นขอทานมันก็เยอะไปไม่มีไม่มีปัญหาอะไรพราหมณ์เป็นวันนะนะฮะเป็นเป็นกลุ่มวันณะเท่านั้นเองกล้ๆกับคล้าๆคนจีนนะฮะ จีนแท่เยอะนะฮะแท่แท้ที่มีเชื้อสายจะห้องเต้ามาก็เยอะเดีขายตะวัวอยู่ก็เยอะที่ทำอะไรก็เยอะมันเป็นวันนะฮะมันเป็นวันนะมันเหมือนกับแท้ของจีนยาวเหยียดเยอะแยะไปหมดนับก็ไม่ถูกหรอกแต่ไม่ได้หมายความว่าแท้นั้นจะต้องเป็นอย่า ง, ง, น, างนั้นเท่านั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นได้ทุกอย่างแท่อะไรก็ตามในเมืองไทยนี่เชื้อเชื้อสายแท่โจแท่เจออะไรแต่ไหนฮนะเชื้อเจ้านะพวกเนี้ยคลองเต้เนี่ยเชื้อเยอะเลย แล้วก็มีอาชีพแตกต่างกันประการต่อไปเนี่ยท่านถามมาสมมติว่าเอาเนี่ยคนวันนั้ในใดวันณัหนึ่งเนี่ยนะฮะทั้งทั้งหมดเ่ยท่านยกมาทีละข้อนะจริงๆยกมาทีละข้แต่มันยาวพวกเนี้ยประกอบอาชญากรรมทําผิดฆ่าสัตว์รุนฆ่าตัดซ่องช่องย่อ ง, องเบา่าอะไรแต่ออะไร คนนี้ท่านคิดว่าเขายังเป็นพราหม์เป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นจันทานเป็นอะไรอยู่อีกหรือไม่แล้วต้องลงโทษตุกจับคุมคุมขังได้หรือไม่อันนี้ท่านตัดสินได้นะเพราะท่านเป็นกษัตริย์ท่านบอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะเวลานี้ถ้าเขาทาอย่างนั้นก็ต้องจับเพราะความเป็นพราหมณ์ของเขาหมดเป็นแล้วเวลานี้เขาเป็นโจรก็เป็นฆาตกรเขาเป็นอาชญากร พรามก็เหมือนกันเขาไม่ได้เป็นพราม์แต่เขาเป็นโจรเป็นอาจจากรเป็นฆาตกรก็แล้วแต่ไปทําอะไรข้าวนะฮะพวกแพทย์พวกสูตรพวกจันทานก็มีลักษณะอย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นแพทย์เป็นสูตเป็นจันทานแต่เขาเป็นโจรเป็นฆาตกรเป็นอาจจากลตอนนั้นก็ต้องจับกรุงลุกลงลงโทษกักบริเวณฆ่าตัดอวัยวะอะไรอะไรแบบแบบสมัยโบราณนั่นก็ว่าไปน้ำมือกง นี่คือแสดงเห็นว่าการเป็นอะไรของใครไม่ได้อยู่ที่เขาเกิดเป็นใครหรือเกิดในวรรณะใดตระกูลใดแต่อยู่ที่เขาประพฤติปฏิบัติอย่างไรอยู่ที่เขาประพฤติปฏิบัติอย่างไรแล้วก็เป็นตัวกำหนดความดีหรือไม่ดีของเขานะตรงนี้ท่านหลายนึกออกที่พระเจ้าทรงแสดงว่าคนจะเป็นคนดี ก็ไม่ใช่เพราะชาติตกุลเป็นคนเลวก็ไม่ใช่ประชาติกุลแต่คนจะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวก็เพราะเขากระทาเขากระทาอะไรนะฮะเป็นเครื่องชี้สถานะเขาว่าเขาเป็นอะไรเช่นะนในพระสูนทั้งหลายที่ตรงแสดงนะว่ากษัตริย์ในอดีตเขาไม่เป็นกษัตริย์แต่ปค้าขายไอ้ตอนนี้ท่านก็ไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่ท่านเป็นพ่อค้า กษัตริย์บางคนก็ไปทํานาก็ท่านก็ไม่ใช่กษัตริย์แต่ท่านก็คือคนทํานาพกพราหม์มก็มีแลตนาอย่างนั้นพราหม่มไม่ได้หมายว่าความหมามว่าตามประกอบพิธีกรรมเฉยๆพราหม่มมันมีสองพวกมันมีสมณพราหม่มกับกับพระมกุฎบดีกุฎบดีพราหม่มมันก็ประกอบอาชีพธรรมดาว่าใครประกอบอาชีพอะไรเนี่ยเขาก็เป็นอย่างนั้นในขนาดนั้นๆอย่างที่บอกว่าคนขับรถก็คือเป็นคนขับรถเท่านั้นเอง อนะย่งางเมื่อคือนี่ข่าวจราจรนะ่ยคุณประทินทันติประพบเอาจริงได้กี่วันไม่รู้นะฮะแต่ว่าถ้าเอาได้อย่างนั้นนี่ก็จริงครเพราะเมืองไทยอิทธิพนะลเยอะรับรถเร็วครับรถผ่าไฟแดงนะพอตำรวดปรับรู้ไม่ฉันเป็นใครเนี่ยนะมีก็ซิบบอกว่านี่ท่านท่านอธิบดีจะรีบไปไประชุมน้ำมูเอาขู่เอาอธิบดีมาขูไอ้นี่ต้องจับให้เข็เลยเห็นไหมว่าถ้าเราถ้าเรารู้จักตัวเองเรา ว่าตรงนั้นที่จริงเราไม่ได้เป็นอาธิปธิบดีเราเป็นผู้ผิดกฎจราจารยท่านั้นเองเราไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ น, นั้นนะเราเป็นผู้ทําผิดกฎจราจารก็จับทนายก็จับก็ปรับก็ปรับให้ก็ปรับแต่ว่าเราหลงความเป็นเราหลงกวาเป็นปนัน้นนั่นก็คือยึดติดแนววันนะเห็นไหมฮะยึดติดแนววันนะแล้วทําให้หลงตัวเองเพราะฉะนั้นต้องเป็นอาธิปบดีอยู่เลยไม่เป็นอาธิปธิบดีอยู่ได้ที่ไหนเรา ขนาดพบบตบมาเจอพบบที่พบบที่บ้านก็ก็แย่แล้วฮะพบบตบที่บ้านเรียกพบบตบนี่ผู้บัญชาการทหารบอกกับพบบตบกับผู้บัญชาการที่บ้านนะฮะแม้ทัพมาเจอผู้บัญชาการที่บ้านก็หงอแล้วไม่ได้เป็นจริงอ่ะไม่ได้เป็นจริงๆรงมันอยู่ที่เราเป็นตามการกระทำของเราเพราะตรงเนี้อาจจะเป็นกระแสก็ได้แพรก็ได้พราบก็ได้ตู่ก็ได้จันทานก็ได้นะทําชั่วทําผิดอย่างเนี้ย ตัดช่องย่องเบ้าลักขมบลขาดคนรวมกลุ่มกันไปปลดอะไรัก็กลายเป็นโจรกลายเป็นคฆาตากรเป็นอาตมากรที่จะต้องจับกลุ่มกุมขังลงโทษสองข้อนะลองสังเกตสองข้อลองสังเกตว่าท่านใช้ปัญญาวินิจฉัยได้ทันทีเลยต่อไปอีกสองข้อพระมหาใจชนะก็ตั้งปัญหาถามเอาละมีคนกษัตริย์ก็ได้พระองค์กแพ่ก็ได้สูก็ได้จันทางก็ได้อันนี้ท่านแยกเป็นข้ออีกเหมือนกันนะ่ยนะ เพราะทำไมต้องแยกเป็นข้อยัจะต้องมองว่าสมัยนั้นเนี่ยหนึ่งพระเจ้ามตุราชเนี่ยท่านยังไม่เคยุยความเทศนะสองเป็นเรื่องการพูดกันโดยเฉพาะเรียกว่าเรียนกันด้วยมุขาปาฐะคือเรียนกันด้วยฝังคนหนึ่งพูดคนหนึ่งฟังเพราะต้องพูดเน้นย้ำซักซ้ำซ้ักไอเกิดคิดตามทัน ไม่ใชพูดเสียงเร็วแล้วก็พรวดไปเลยไอ้นั่นก็สําหรับคนที่รู้กันแล้วนะพูดง่ายนะแต่ยุคสมัยนั้นจึงมี ก, การใช้ซ้ำเขียนข้อความนี่ซ้ำไปใจบิดก็ข้อความซ้ำๆเยอะเลยเนะี่ยท่านก็ตั้งปัญหาถามว่าใครก็ตามเนี่ยคนะ่าสัตว์รักษาประพฤติในการนี้นยกอกุศลกบดขึ้นมานะ ศาตร์ลักทรัพย์ผิตเดือนผิดในกรารผููเท็จผูดคำหยาบพู้โสเสียพูดเพืรรพ่อ เ, เจรหรือหลายโลภอยากได้ขององคนอื่นพยายามบองนร้ายของคนอื่นเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิตรงนี้ตั้งใจเข้มามมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยคนเราเนี่ยเ <c oughs> มือ่อทำบาปกรรมอย่างนี้แล้วเวลาตายไปก็ตกนรกบ้างอ่ะ เป็สตวเดชานบ้างเป็นเปตบ้างเป็นสุรกายบ้างเรียกว่าทุกติวินิบาตในะโลกสุรกายนะตำรวจบาลีท่านจะเรียงอย่างนี้ตลอดทุกติวินิบาตในะรกสุรกายมันจะตกเฉพาะกันศาสตร์หรือเปล่ามันจะตกเฉพาะพราบหรือเปล่าตกเฉพาะแพทย์ตกเฉพาะสูรหรือเปล่าท่านมีความเห็นอย่างไงนะท่านถามความเห็นประมาณจะน่าถามครับ ตรงนี้ให้ลองสังเกตว่าคนฉลาดเนี่ยเขารู้เขารู้ตัวเองเขารู้ก็เรียกว่าอัตตัญญุตาเนี่ยรู้จักตัวเองท่านไม่ตอบเหมือนเดิมนะฮะท่านไม่ตอบเหมือนเดิมข้อ น, นี้ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าอย่างนั้นแล้วข้าพเจ้าทราบว่านะพระหันทั้งหลายแสดงว่าเป็นอย่างนั้นเห็นไหมว่าความเห็นตรงนี้มันอิงศรัทธานะฮะอิงศรัทธาในวาทะของพระอระหรันต์ เราไม่รู้หรอกมันมันนรกสวรรค์เราจะไม่ตายเนี่ยเราก็ไม่มียานด้วยเราจะไม่ตายด้วยเราก็ไม่รู้อะนารกเนี่ยมีไม่มีแต่ศาตร์เดนะรัชามีแน่ศาสตร์เดรชามีแน่แต่นึกถึงเปรตนะนึกถึงสูดานเอธิโอเปียตอนนี้มันฟอร์ลึกใจสลดใจนะฮะว่าเพื่อนมนุษย์เราเนี่ยมันมันมันมันเป็นเปรดไปเลยนะฮะอันนี้คือหิวโหยอ่ อยู่โห่อย่างหน้าอินดฮะมาว่าแจกดีๆนี่ช็อกตายนะสําลักอาหารตายแนละ้วแจกไปมากๆไม่ได้นะเวลาให้เขากินต้องคุมมาเฮ้ยโอ้มันมันทารุณมากเลยเห็นเรื่องนี้เราเศร้าจะทำยังไงอ่ะจะแก้แก้แก้ไข ย, ยังไงช่วยยังไงว่าทําไมมันไม่ช่วยกันทําไมมันเอาลูกกระสุนไปยิงกันเนี่ยนะฮะลูกกระสุนยิงทีละ ท, ทีนี่เลี้ยงเด็กได้หลายคนนะนะราคามันเยอะฮะ เอามาเคยคิดทีเนี่ยเคยคิดตอนไอ้บีห้าดิบสองตกที่เวียดนามตอนนั้นมันค่าของเงินไม่ได้เป็นอย่างเงี้นะฮะมันตกแล้วก็ลูกระเบิดเนี่ยมันยังไม่ได้ทิ้งทหารตายลูกระเบิดอะไรทั้งหมดเบ็ดเสร็จเนี่ยตอนนั้นประชากรโลกมันมันมันสามพัน 3, กว่าล้านนะเกือบเกือบสี่พตอนนี้มันห้าพันกว่าครับคิดแล้วเนี่ยเอามาแจากคนในโลกได้คนละแปดบาท เอาเงินนี้มาตั้งแล้วจำนวนมาจากก่อโลกหาเนี่ยได้คนละแปดบาทเสียดายต่างอย่างเอาไปทิ้งแล้วก็ไม่ได้อะไรนะทรัพย์สินก็เสียคนก็ตายทรัพยากรธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้อะไรกันมันเลยตรงนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าพระเจ้ า, าวันทุราตะวันตีบุตรท่านมองสองระดับระดับหนึ่งในความเห็นของท่านท่านก็เห็นว่ามันก็เป็นอย่างงั้น ที่เีความเห็นเนี่ยท่านได้มาจากไหนท่านไม่เคยเรียนท่าไม่เคยเรียนรู้เรื่องนรกมันเป็นยังไงเอ่ยอบายทุกขติวิณิบารมีอย่งแล้วข้าพเจ้าได้ยินว่าพระอระหันต์ทั้งหลายท่านว่าอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้สัตว์ปัญญามากอะไรนะใช้ศรัทธาเป็นหลักชีวิตจริงๆของเราส่วนใหญ่เนี่ยที่จริงเราใช้ศรัทธาและศรัทธาไม่ควรจะเป็นหลักเป็นเกณฑ์อะไรโดยทั้งไป ตรงนี้มีศรัทธาเป็นหลักคือท่านเอาเฉพาะัวพระอาหารหันต์เห็นไหมท่านแม่เด้บอกว่าหลวงพ่อคนนั้นว่าอย่างนี้คนนั้นเขาว่าอย่างงี้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เอาไม่เอาอย่างนั้นแต่เอาว่าพระอาหารหันต์ว่าอย่างนี้คือสอ้างกันสะเลยเ บ, บะละยุง่งมันมัไอจุดยึดเนี่ยเนี่เป็นเรื่องสาคัญมากเพราะจุดยึดเนี่ยวเป็นใคร เราพอจะวางใจในในในคําพูดของท่านได้หรือไม่เพราะถ้าระวังใจไม่ได้เราไปเชื่อไม่ได้นะฮไปเชื่อไม่ได้ที่โบราณได้สอนนะเชื่อคนอย่าเชื่อคนเชื่อหลายหนมักเถื่อการทศกณัณฐ์ปะยามาณมานโลวงดวงใจแนวตรงนี้ที่จริงแนวน่าคิดนะฮะแนวทศกัณฐ์กับป่บาพนุมานเนี่ยเป็นแนวน่าคิดมากเพราะทศกณัณฐ์อ่ะมีลักษณะจนสอบ ว่าเวดดเดี่ยวเดียวดายแล้วก็หวาดกลัวสภาพจิตนี้ยไม่พร้อมจะวินิจฉัยอะไรเลยมันก็ตกเึงนับคนที่อยู่ในทะเลมีตัวคลื่นนะฮะกางล่างมีอะไรก็ไม่รู้เพราะ <S <S อะไรหมุนมาในเกาะทันทีโดยไม่ดูให้ดีฮะอาจจะเกิดซากศพเจอเจ อ, อปลาฉลามอะไรก็ไม่รู้ประกอบเละไปไ แกรูริดของอนุมานดีที่สุดแล้วอันุมานไปต้มก็ยังเชื่อได้แต่เราดูตอนต้ น, นๆเราจะเห็นว่าฮันุมานเล่นงานทศกัณฐ์จะบักสบองกี่ครั้งกี่คนมาแล้วฮนุมานประหลออพักเดียวกันลืมหมดเลยนั่นคือคือแหล่งที่ยึดเนี่ยวเนี่ยเราไม่ได้พิจารณาเทียบเคียงให้ดีเป็นบทเรียนเยอะนะที่ยิงรามาเกียรตะมาว่าถ้าเอามาเทศประกอบเป็นตอนเป็นตอนในน่าสนุกไยนะ วิเคราะห์บแบบพฤติกรรมเกี่ยวความสะท้อนธรรมะจากพฤติกรรมเพราะในรามกเกียร์เนี่ยเป็นแนวสอนธรรมะจากพฤติกรรมมากราบใหญ่ของอินเดียสองเล่มนะที่จริงมันมี3เล่มมีพุทธจริตด้วยแต่พุทธเจริตไม่ค่อยดังนะฮะไม่ค่อยดังเพราะว่ามันยากแล้วก็เป็นคำภีร์ทางพระพุทธาศาสนาสายมหาใาญ่เพราะนั้นเมืองไทยเราไม่ไดัง สงครามมหาพารตยุทธเนี่ยสอนปรัชญาเลยลึกซึ้งมากนะลึกซึ้งมากเก่งทีเดียวนะแต่ว่าสุดตรงไปหน่อยบางตอนน่ะสุดตรงไปได้แต่โดยสรุปนะฮะแปดสิอร์เซ็นี่ดีมากเลยแต่เราเมื่อกี้นี่ยสอนจากบุคลิกคนทุกคนเนี่ยสอนสะท้อนทำทั้งนั้นเลยตัวตัวละครแต่ละตัวสะท้อนทำ แล้วจะเห็นว่าตัวละครแต่และตัวนั้นจะไม่ถูกเ ค, นนครียดนะหมายความว่าอย่างไงก็มีจุดดีมีจุดสํานึกทศกัณฐ์เรวก็ไม่ไม่เรวบริสุทธิ์นะเพราะว่าตอนสุดท้ายนี้ท่านสํานึกเลยท่านสำนึกท่านแนะนำสั่งสอนพี่เพ่อย่งงางนั้นอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นว่าคือแสดงว่ามันถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นยังไบงบางมันมันก็ถ้ามีสํานึกดีแล้วก็กลับตัวได้ เราใช้รามาเกียรมาเล่าแล้วก็ประกอบสะท้อนทำก็สนุกนะฮะก็สนุกแล้วก็ได้อะไรเยอะอดีน่าเรียนด้วยเรื่องรามาเกียรตจริงจรน้าเรียนนะามาว่ามองว่าหน่าเรียนกว่เรื่องพระภัยมันดีเพราะพื้นฐานเนี่ยมันต่างกันบันพื้นฐานทางศาสนาเรามาเกียรมันเกิดจากพื้นฐานทางศาสนาปรัชญาแต่ว่าคนท่านฤาษีท่านท่านท่านท่านผู้แต่งนะ่ะนะฮะท่านผู้แต่ง ท่านเป็นเป็นฤาษีเป็นนักบวชเลยก็แต่งได้ดีหน่อยแล้วมันมันก็เป็นเรื่องจริงด้วยนะแต่ก็ขยายเอาประเด็นแรกให้เราสังเกตว่าพระมหากษัตริย์ก็าายามมาตรงเนี้ยที่ที่เอามาบอกว่าอีพรามกล่าวอย่างนั้นงนั้นอย่างนะั้ไม่ใช่เรื่องจริงจริงๆแล้วมันอยู่ที่เขาประพฤติยัยงไงมันไม่อยู่ที่ว่าเขาเกิดเป็นใคร ในลักษณะทางสังคมเนี่ยท่านทั้งหลายลองสังเกตอ่านนวนิยายนะฮะอานวนิยายไทยเราเจะเห็นบ้าง น, นักรบพันธ์ไทยเนี่ยค่อนข้างเอียงคือค่อนข้างจริงจังคนรวยกับคนตระกูลสูงจะมีรทิ์ยามีอาคาตมีอะไรต่ไรนี่เ ย, ยอะเลยในตัวท่านเหล่านั้นนะฮะก็พยายามที่จะโยนให้ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้น หมายความว่าทานเหล่านั้นพร้อมจะเป็นคนดีแน่นอนก็อาจจะมีคนเลวเหมือนๆกับคน ท, ทั่วไปนะฮะไม่ได้อยู่ในวันนั้นใดกดันใดในสังคมไทยมีแนวนั้นลักษณะความคิดทางสังคมถ้าเรามองย้อนไปสักสี่ปีอ่านหนังสือย้อนหลังมาสี่ปีนะฮะตั้งใจว่านักประพันธ์จะมองคนไทยนอยู่เฉพาะภาคกลางผู้ภาคใต้เป็นแขกผู้ภาคอีสานเป็นเหล่าผู้ภาคเหนือเป็นแก้ว หรืจะมองอย่างงั้นนะจะมองอย่างนั้นออนั้นนั่น น, น, นั่นก็คือมันก็จะทอนยุคสมัยความคิดของสังคมจะให้ให้เห็นว่าสังคมก็คิดอย่างงั้นคือมีความเป็นเราเป็นเขาสูงเพราะงั้นพอบ้านเมืองแตแกแยกแต็มที่จะร่วมมือกันเลยแตกเป็นกกไงแต่เป็นกกได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็โดนเพื่อนปฏิวัติเรื่อยอย่างสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ปฏิวัติกั่ง็ดครั้งกิดงกดโดนเนี่ยเห็นไหม นั่นนั่นคือลักษณะมันมันสะท้อนธรรมะที่มีอยู่ภายในใจคนว่าคนนี้มีความบกพร่องในด้านธรรมะใจมันไม่กว้างไงใจมไม่กว้างพอแล้วก็มองในแนวแบ่งแยกแนวแบ่งแยกก็คือกลายเป็นการแบ่งแยกแล้วก็ยกตนของคนอื่กก็ดูหมิ่นคนอื่นพูดเรื่องภาษาพูดเรื่องอาหารพูดเรื่องอะไรแต่อะไรเนะี่ยฮะ เรื่องสภาพเป็นอยู่ในลักษณะแค่ๆกันตัวเองเหนือกว่าคนอื่นเห็นไหมว่าที่จริงนะคือแนวจากวันละเหมือนกันเป็นแบบวันละเป็นแบบพวกเหมือนกันว่าเป็นแบบพวกเป็นแบบภาคนะเป็นเป็นแบบท้องถิ่นแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามครอบงำครอบงำท้องถิ่นเขาพยายามที่จะให้ภาคใต้เนี่ยเป็นอย่างภาคกลางภาคอีสานเป็นอย่างภาคกลางก็ถือว่าตัวเองเป็นเนี่ยคือความถูกต้อง เพนั้นเราจะเห็นว่าศิลปกรรมปฏิมา ก, กรรมวิจิตรศิลปนิป ต, นติต่างๆก็พยายามที่จะผลักดันให้ไปอยู่ในภาคต่างๆซึ่งที่จริงมันมันบอกเกิดวัฒนธรรมคนละสายามาเองนี่ไม่ยอมรับเลยว่าไอ้ น, นี่คือวัฒนธรรมพุทธศิละปะของพุทธจริงๆศิละปะพุทธไม่ใช่เป็นอย่างเงี้ยไม่มีของไทยศิละปะพุทธแสวงมันศินละปะไทยแต่นั้นเองศิละปะพุทธต้องไปดูที่อินเดียดวงของพระพุทธเจ้านะั่น แต่ว่าพยายามที่จะใช้ธิปทญจงศาสนาไปครอบงำความคิดไปอีกทีนึ่งเพราะฉะนั้ น, ม, นมันก็เกิดมาจากฐานที่มีองค์ประกอบทางวัฒนธรรมในที่เหล่านั้นสภาพเป็นล้อนทีแล้วก็เกิดเข้ามาเมื่อเป็นเป็นวัดก็คือก็คือวัดพระพุทธศาสนาด้วยกันจะใช้ศิลปะอะไรก็ได้มันมีความหลากหลายมันก็เป็นเป็นความสวยงาม ก็ตื่นตาตื่นใจเป็นความแปลกใหม่นะไม่ไปดูที่ไหนโบสเหมือนกันหมดทั่วประเทศก็ไม่ไปดูไปดูอะไรดูสักวัดก็พอแล้วไม่ต้องไปที่ไหนแนละ้วนั่นคือเป็น ท, ที่ที่จริงลเลย เ, เ, เราเราเราเชื่อว่าการจะทอนความคิดสังคมแล้วะ ม, มองสังคมด้วยกันเป็นยังไงมันก็ออกมาอย่างนั้แห่ะลองลอ ง, ลองไปอ่านหนังสือรุ่นรุ่นก่อนๆนะะรุ่นประมาณสักสี่สิบปุปี สิกว่าปีมาแล้วเนี่ยหือก็เก่าลองหาอ่านแถวจะนำล้วงอะไรเยอะแบบแบบนอนุญาตจะเห็นได้ชัดเลยนะคนอีสานเนี่ยไม่เคยเป็นคุนนายเลยเมื่แต่คนใช้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีเช้านะฮะแถวสุพรรณก็เป็นคนใช้่นะพูดสำเนียงสุพรรณแล้วไม่เป็นนายสักคนหนึ่งนะเป็นคนใช้พูดสำเนียงอีสานแล้วก็ไม่เป็นนายฮนะพูดเป็นเป็นคนใช้นั่นคือลักษณะดูมิ่นกันดูมีนกั น, น, กนแล้วเราก็ไปยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ ภาคใต้เองเนี่ยมาเคยว่าตอนนี้พวกคุณมาดูมินตัวเองนังตะลุงทั้งหมดมโนราทั้งหมดที่เขาเล่นเนี่ยนะถ้าพูดภาษากลางเนี่ยหมายถึงนายแต่พูดภาคใต้แล้วลูกน้องหมดทุกคนเลยไอ้ทองไอ้กลั่งไอ้เมืองไอ้เท่งอะไรเลยถ้าเป็นคนแปลกว่าดูมินตัวเองฮะดูมินตัวเองเป็นคนใช้หมดแล้วเป็นนายไม่ได้เลยอยากรู้เหมือนกันว่านายกรัฐมนตรีชวนเนี่ยเป็นใคร ก็เป็นนายได้เนี่ยนะคนใต้ก็เป็นนายได้คนเหนือก็เป็นนายได้ทําไมจะต้องเป็นลูกน้องทุกจีน <t small spirit> ั่นคือระบบความคิดที่มันกลายมาเป็นวันนัไม่มามาอลไคือสักกยทิฏฐิที่ย้อนกลับไปที่นำพระสูตนี้มาให้ดูในตอนต้องการต้องการจะย้อนกลับไปสู่สักกยทิฏฐิเดี๋วผููกันตอนกบันผ่านเห็นไหมฮะนั่นก็เกิดเป็นสักกยทิฏฐิและทีนี้มันตอกย้ํากันมากตอกย้ํากันมากนอกจากเป็นจิตแต่สันดานแล้วเนี่ย มันได้รับการเพิ่มได้รับเชื้อบวกขึ้นในชีวิตประจําวันก็ปลุกเสกกันเชียร์กันสดุปดีกันก็ว่ากันไปเรื่อยๆก็แล้วแต่สายนะฮะรวยมากสวยมากเก่งมากสามารถมากใจมากมีอํานาจมากก็แล้วแต่จะว่าและวลองสังเกตว่ามนุษย์มันก็จริงจะแย่งกันเพื่อเรื่องเหล่านี้ถ้าเราดูดูให้ดีนะฮะการยื้อแย่งในโลกเนี่ยมันยื้อแย่งอํานาจยื้อแย่งผลประโยชน์ยื้อแย่งเพศตรงกันครับ แย่งผู้หญิงผู้ชายกันทั้งนั้นนะะที่มันแย่งกันเพราะอะไรเพราะอัตตาตัวเองอัตตาตัวเองใหญ่ทรัพย์ก็ต้องมากอำนาจก็ต้องมากบริวารก็ต้องมากมันมากตามไปมันเกิดเป็นสักกายะทิฏฐตัวนี้ก็เลยยืดเป็นพราพระมาะกระจาหน้าก็เชื่อดูจริงๆมันไม่ใช่อยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่อยู่ตรงนั้นหรอกมันอยู่ตรงการกระ ท, ทำดังนั้นก็ะทำของท่านเหล่านั้นแหละเราไม่รู้ใครนะฮะ รูปภัยแหละทุกคนจึงพร้อมจะเป็นคนดีและในขณะพร้อมที่จะเป็นคนช่วรดูจิตของเราันแรกแกันนะจิตของเราในพร้อมที่จะคิดดีและพร้อมที่จะคิดช่วอะไรที่มีที่บนมากกว่าความคิดเราก็น้อมเอียงไในทางนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหลายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมองต่าง ม, มุมเรื่องอะไรล่ะเวทีชาวบ้านนะความเวทีชาวบ้านมันคืนอะไรเป่าเราเห็นได้ชัดเลยนะเวทีชาวบ้า น, าานเห็นพื้นฐานคนความคิดของคนนี่ชัดเลยโลกกัะพัดเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องใหญ่แล้วมากํบบาลังจะเขียนลงมาตัวผูกคือว่าคนบางคนเนี่ยมองแต่ตัวเองเนี่ยเป็นฐานมองสิ่งตัวเองที่เป็นได้แล้วมันก็กลายเป็นความขัดแย้ง เป็นความขัดแย้งในตัวเขาเองแล้วมันก็ความขัดแย้งนั้นแล้วมันก็สวนกันเบนนี้มันก็สวนกันนะเรียกร้องขอรัฐบาลช่วยหาน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อนั้นเพื่อ น, นี้แต่ว่าต่อต้านการสร้างเขื่อนการสร้างอ่างเก็บนะ้ำนั่นคือความขัดแยง้งมันไม่มีทางทำได้ฮนะสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันถ้าต้องการนา้ำต้องมีที่เก็บนะ เพราะน้ำมันมาจากฟ้าน้ำใต้ดินมันก็มาจากฟ้ามันก็หมุนเวียนกันนะนะมันเวียนกันมันเราเหยขึ้นขึ้นไปทีนี้ลมมาถ้าเราปล่อยเราไม่เก็บมันก็ลงทะเลคุณไม่ให้เก็บแต่คุณต้องการน้ํานี่คุณจะเอาไงแล้วก็เหมือนกันระบบการศึกษานะต้องการเด็กเรียนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเรียนเยอะเลยนะฮะเด็กเรียนไม่ไหวนะ แต่ในที่สุดพอทางกระทรวงศึกษาเกรงใจพระนิพนธ์มก็จัดตักสูตรนั้นสูตรนี้ก็เสริมก็อิ่งเสรเอกสารประกอบการเรียนมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอเด็กกระเป๋าใหญ่ไหลเอียงขบบนว่าเดือนนี้เรียนอะไรกันมากมายเด็กเสียบุกลิกหมดเดินขี้วกระเป๋าจะไหลเอียงเสียบุกลิกเอ้าแล้วคุณจะเอายังไงคุณให้เรียนมากเอกสารประกอบการเรียนต้องมากถ้าคุณไม่ให้เรียนก็ไม่ต้องขี้วหนังสือเลยต้องเล่นเดียว อันนี้คือสิ่งที่ต้องอยู่ด้วยกันแต่ต้องอยู่ด้วยกันว่าต้องมีที่กักเก็บน้ําจึงจะมีน้ําใช้ถึงความขัดแย้งที่เราเห็นในแชทว่าคนนี่สับสนมากสับสนเราไม่รู้จะเอาอะไรแล้วก็แสดงพื้นฐานอะไรได้เยอะแต่แต่เราฟังให้ดีนะฮะฟังให้ดีแล้วแล้วแต่พวกนี้ท่าเดีต้องเปิดวิทยุฟังแล้วหลับตานะหลับตาฟังคิดตามเลย จับประเด็นได้แต่ถ้าดีกว่านั้นต้องดูโทรทัศน์ดูหน้ามันด้วยดูหน้าดูตาเนี่ยจะเห็นได้ชัดจะช่วยมากฮนะจะช่วยมากเพราะคนนี้พูดด้วยความโกรธคนนี้ด้วยความาคาดมัด ร, ร้ายคนนี้พูดด้วยเหตุผลคนนี้พูดด้วยดูมินอะไรแต่เห็นได้ชัดเลยเอาท่านแนวพวกอนุ ร, รักษ์เลที่จริงไม่ต้องทําอะไรนะฟังแนวอนุ ร, รักษ์ปั๊บเนี่แตะอะไรไม่ได้เลยใบไม้ใบเดียวก็แตะไม่ได้แล้ว มันพูดกันจนต้องไม่ต้องทำอะไรเลยนะแนวอนุรักษ์เนี่ยก็สุดตรงกันสุดตรงด้วยกันกลายเป็นการมาสุาริการกนโยบายกติกาประดานโยกนั่นคือความคิดตรงนี้ก็จริงๆมันก็คือความคิดเป็นการที่ตอกย้ำกันเอาไว้แล้วก็ปักใจอย่างนั้นทีนี้การพูดของพระมหากระจายนาเนี่ยเราจะเห็นว่าที่พูดได้ง่ายเนี่ยเพราะอะไร เพราะว่าพระเจ้ามาทุราชนั้นท่านยอมรับแล้วพระดียงงั้นยังงั้นยังงั้นอ่เพราะก็ท่านอย่างยินดีมาถึงก็ไหว้กราบเรียบร้อยล้วให้ความเคารพมาตั้งแต่เดินทางใจมันพร้อมนะฮะใจมันพร้อมที่จะรับฟังมันเหมือนกับคำที่เราพูดว่าปรับทุกผูกผูกมิตรนะฮะปรับทุกผูปรับทุกผูก ผ, ผูกมิตรเราลองนังเกอะไรต้องมาก่อน เราพูดว่าปรับทุกข์ก่อนผูกมิตรไม่ได้นะต้องผูกมิตรก่อนเดี๋ปรับทุกข์ถ้าไม่เป็นมิตรกันไม่มีทางปรับทุกข์กันได้มันต้องผูกมิตร ไ, ได้ก่อนทีนี้ตรงนี้ท่านรู้สึกเป็นมิตรแล้วท่านยอมรับนับถือศรัทธาแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วทั้งก็ภูมิมีภูมิปัญญามีประสบการณ์ตรงเนี่ยนะฮะจากเศรษฐีที่ร่ํารวยซึ่งมาจากวัจณะต่างๆแล้วก็มีบริวารมีวัจนต์ต่างๆ แสดงว่าข้อนี้จริงมีตัวอย่างเยอะคนที่ทําผิดกฎหมายบ้านเมืองถูกจับกลุมคุ่มขังในคุกมีทุกวันนะพระเจ้ามตุราเป็นกษัตริย์ตั้งก็กรตัดจิตไม่เยอะใช่ไหมตัวอย่างนี่ง่ายมากนั่นคือวิธีการเรียนวิธีการสอนแบบบราณเห็นไหมเอาสิ่งใกล้ตัวที่สุดเลยเอามาพูดกันก่อนแล้วเสร็จแล้วเอาเรื่องนรกสวรรค์อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะครับเปเรื่องความเชื่อแล้ว ไม่ใช่เรื่องปัญญาพระเจ้ามัทราชจึงใช้คําว่าข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนั้นและข้าพเจ้าฟังมาว่าพระหัน์ทั้งหลายท่านสอนไว้อย่างนั้นตกลงว่าความเชื่อของท่านจุดจุดนี้จึงเกิดขึ้นจากศรัทธาในพระหันทังหลายแต่แหล่งเนี่ยมันดีหรือแหล่งที่เราศรัทธาเนี่ยเราก็เชื่อมั่นในพระอรหันต์แต่ที่จะเชื่อมั่นใครต่อใครก็ไไปรึวะ ส่วนนี้ถือว่าเป็นจุดมาตรฐานในการคิดของนักปราชญาในการวินิจฉัยปัญหามันมี5ข้อเราก็มา3ข้อข้อที่สี่วัตถที่จริงตรงกันข้ามกับข้อที่3นะฮะหมายความว่าเอ่อใครก็ตามวันหน้าไดกรตาหนึ่งสองสามสี่ห้เนี่ยฮะกระสัความแพทย์สูตรนี่จนทานเนี่ยประพฤติในกุศลกำหบดงดเว้นในการฆ่าสัตว์งดเว้นในการลักทรัพย์งดเว้นในการพฤติในการพูดเท็จผู้กระทำอย่าพูดโสเสียเหมือนเดิมนะฮะจนถึงสมาธิ คนเหล่านี้ชื่อว่าเป็นคนดีในปัจจุบันดีแล้วนะดีแล้วปัจจุบันแล้วตายไปแล้วไปบังเกิดในสุกติปิดประตูอบายแล้วบังเกิดในสุกติโลกสวรรคขอ้อนี้ท่านท่านมีความเห็นยังไงท่านท่านใช้รลคกานเดิม น, นะฮะมาความว่าเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็เชื่ อ, อ ได้ยินว่าพระหานทั้งหลายท่านแสดงไว้อย่างนี้แม้ไม่ได้ยินโดยตรงแต่ว่าได้การสดับต่อฟังมาจากที่อื่นเป็นวาทะของพระหานแล้วก็เชิดชูคําพูดของพระอาราหารันต์เห็นไหมตัวนี้ใช้หลักศรัทธาเป็นหลักตัวนี้ใช้ศรัทธาเป็นหลักสองข้อแรกใช้ประสบ ก, การณ์เป็นหลักมาความใช้ปัญญาที่ผ่านการเห็นการเห็นบ้างการได้ยินบ้างนะฮะ ประสบการณ์ตรงว่าท่านสองข้อแรกในประสบการณ์ตรงพูดง่ายปัญญาเป็นหลักอสองข้อหลังนี่ไม่ใช่ศรัทธาเป็นหลักความเห็นคล้อยตามนั้นคล้อยตามจากศรัทธาไม่ใช่คล้อยตามด้วยด้วยปัญญานะปัญญาที่พิจารณาพิจารณาองค์พระอาหารหันต์แล้วตัวความเชื่อรอาหารหันต์แต่นรกสวรรค์ที่จริงท่านไม่มีปัญญาท่านมีปัญญาไปพิจูจณาตรสอบอะไรหรอกก็ไม่รู้ไม่ไม่เชื่ออรหันต์ก็ไม่ได้เชื่อใครแล้วนะฮะ แต่ต้องระมัดระวังหน่อยเพราะอาหารยุคยุคนี้กัยุคนั้นไม่เหมือนกันนะฮะยุคนี้ต้องระวังหน่อยแล้วกันอาหารยุคนี้ก็ปลูกเสก็ได้มันกลุมใจปลูกเสกกันจังเลยต่อไปเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงใช่ไหมเป็นประสบการณ์ตรงบวกกับศรัทธาหมายความว่าศรัทธาบวกกับปัญญาเลยจุดเนี้ย มันบอกว่าเอารกระสาย์พราหมณ์แพทยสุดต ร, รงนี้ท่านท่านใช้คําเหมือนเดิมอนะท่านใช้คําเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนกับสองข้อที่ว่ามาแล้วว่าเวลานั้นเน่ะเขาก็ไม่ได้เป็นกระสาตรพราหมณ์แพทย์สุแดแล้วก็เป็นเศรษฐีแล้วเขาเป็นคนรวยเขาเป็นคนมีอำนาจรันาข้อที่สองก็เขาไม่ได้เป็นกระสาตรพราหมณ์แพทย์สุดแล้วเขาเป็นโจรเป็นฆาตกรเป็นอัตยากรแล้วนะฮะหมายความว่าก็ต้องรับผิดตามงานอตามสิ่งที่เขาทำพอมาถึงข้อที่ห้าเนี่ย ท่านบอกว่าคนในวันหน้าใดกระาำที่ออกบวชกระทำคว า, ามแสวงสุขกระทออกบวชประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมมีทิฏฐิลาจรรยมีกายสงบปัญญาสงบจิตใจสงบเนี่ยท่านมีความรู้สึกต่อคนคนนั้นอย่างไงคนปฏิบัติอย่างเงี้ยท่านมีความรู้สึกยังไงพระเจ้าออมัทุราชก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพระเจ้าก็จะให้การบำรุง นะอาคุณโยภาคุณโยะนะก็หมดนะแลนะ้ก็ามาให้การคำนับให้การตอนรับให้การทำบุำบา ร, รุงด้วยปัจจัยกีแล้วก็ป้องกันอาราาักขาไม่เกิดอันตรายแกท่านอาจารย์นั่นคือแนวหลักนะฮะแนวหลักในสมัยโบราณเนี่ยการดูแลรักษาสมณพราหม์เนี่ยถือเป็นภารกิจของกษัตริย์เพราะรูปแบบของสมณพราหมณ์ไม่ได้จัดในแนองคอ์กรอย่างอย่างที่มีอยู่ปัจจุบนันแล้วก็ตั้งป้อมยิงกันอย่าง ที่ท็กซัสในปัจจุบันหลายวันเลยนะตายกันเยอะเลยนี่มันไม่ใช่มีรัฐอะไอย่างนั้นคือสมรภาร์าจริงๆเนี่ยเป็นผู้สละโลกแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใครสิ่งที่รบกวนชาวบ้านก็คือเรื่องอาหารอาหารพออิ่มนะฮะพออิ่มแล้วก็ถ้านก็เปลีป่ย น, นไปแต่ในขณะเดียวกันใ้ทรัพย์สมบัติอะไ ร, ต, รต่างๆถ้าก็ทิ้งไว้ให้เป็นรมบาลของชาวโลกนั้น ภัยอันตรายมันก็เกิดขึ so exactly. so ้นได้เยอะคนที่เคยเป็นศัตรูอาฆาตกันมาทางก่อนประก่อนไรเนี่ยนะอาจจะตามค่ากันฆ่าก็เบียดเบียนพระองคุริมานะฮะเราก็เจกษัตริย์ก็มีหน้าที่ในการตักเตืตรงนี้ท่าทั้งหลายเห็นว่าท่านศรัทธาในความดีท่านใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าคนคนเนี้ยเขาไม่ได้เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรแต่เป็นสมณะเป็นบรรพชิตเป็นผู้สงบ ไม่ได้ติดใจว่าเขาเกิดมาในตระกูลอะไรนะแบบเหมือนก็ดอกบัวกองหยากเกลืออะไรต่ะไรกองสิ่งสิงสกปรกนะฮัเกิดมาจากโครนจากตมแต่ในสุดก็คือดอกบัวเราไม่ติดใจโครนตรมแต่เวลาเราเอานั้นเราเฉพาะดอกบัวมานะก็ไม่มีใครไปตักโคนตมมานะอเอาไปเฉพาะดอกบัวแต่นั้นเองคนเรามีลักษณะอย่างนั้นคือพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะของตัวเองได้ เพราะการยอมรับนับถือพระนั้นจึงต้องใช้สองอย่างนะฮะศรัท ธ, ธาด้วยปัญญาด้วยใช้ศรัท ธ, ธาในคือมันก็มันใช้ปัญญานําพิจารณาห็นสถานะของท่านยอมรับสถานะของท่านก็ใล้ๆกับที่พระเจ้ามัทุราชท่านพิจารณาที่ตัวความดีามมาเขาออกมการพิจารณาแล้วเกิดศรัท ธ, ธาเกิดศรัท ธ, ธาแด่ท่านเป็นกษัตริย์นะฮะท่านก็เป็นกษัตริย์ท่านก็บอกว่าก็มีหน้าที่ในการดูแลอาราาักขา ตกลงว่าวันหน้าทั้งสี่จึงไม่ต่างกันคนต่างกันเพราะกรรมท่า น, นั้นเองนะเพราะการกระทาของคนแต่ละขณะแต่ละขณะที่ทำเนี่ยนะที่ทำเนี่ยแม้แต่ลองตั้เกัว่ายกยกตัวอย่างเช่นเช่นการฟังพระสูตในวันนี้ฮที่จริงท่านก็ได้ต่างกันแต่ลองมานั่งคุยมานั่งเล่ากันเนี่ยเล่าได้ไม่เหมือนกันนะเพราะแรหนึ่งพื้นฐานการรับรู้เราต่างกัน การฟังในขณะนั้นเราก็มีความสนใจตั้งตั้งใจไม่เท่ากันแบบยังไงก็ไม่เท่ากันทีนี้ความ้รงจำอะไรก็ไม่เท่ากันก็สรุปไม่เท่ากันนนั่นคือความแตกต่างทำไมแตกต่างเนี้มันก็อยู่ที่กรรมของเราคือเจตจานงในการฟังของเรานะฮะเจตจำนงในศรัทธาในความต่อเรื่องในความรู้อะไรเรื่อ ง, งอื่นจะมีรัศนะ ในสุดจบลงด้วยพระเจ้ามาทุราธวันตีบุตรได้เกิดสธานเลื่อมใสสนเสริญธรรมะคำสอนแนวสูตรเขานะฮะเป็นงายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนร้องทางส่งมาทิพในที่พืชแล้วขอประกาศตนถึงพระธรรมกับพระหมหาขจัญณะเป็นที่พึ่งพระหมหาขจะบอกไปได้อยู่ไม่ได้อันนี้สําคัญนะสําคัญเอาเวลาเนี้ยเอามาไปเจอสํานักอาจารย์บางํานักเนะี้ยวันก่อนมีเทป มีเซฟก็เอามาให้ปรากฏว่าสะดุดีอาจารย์เขาก่อนแล้วสะดุดีพระพุทธเจ้าใช้เพลงร้องนะฮะเอามาให้ฟังสะดุดีอาจารย์เขาก่อนแล้วก็สะดุดีพระพุทธเจ้าทีหลังโอ้เป็นใหญ่จังเลยเวลนี้พุทธังแสดงอกจามิถมังสสดงอกจามิสังขังแสดงกฐามิแล้วก็อาจารย์เขานะก็แล้วแต่นะแล้วก่อนสมัยนี้ก่อนก็มีอะไรก็นี่ก่อนจะอยาก็ว่าไงนีฮนะ เรก็แสดงกระชามีเหมื อ, กอนกันนี่คือคือคือคือคือเราจะเห็นว่าไม่ใช่เป็นหลักกานเราเมื่อถึงพระตันไรแล้วจบแล้วแต่ตอนนี้ท่านไปเกิดถึงสองอพระพุทธกระพระธรรมพระหมายจารย์นะบอกไม่ได้ต้องนับถือพระพุทธเจ้าอารมะไม่ใช่เป็นเจ้าของศาสนาธรรมามะเป็นเจ้าของธรรมะของพระพุทธเจ้าโยมต้องถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมกับพระสงฆ์ ไม่ใช่เฉพาะตัวคนองค์พระพุทธเจ้าประทับประสูฆ์เอาเป็นที่พึ่งเท่อนะที่ระลึกนะครัคุต่างระรางอาจาบเมี่ย็นที่ว่าเนี่ยพระเจ้ามตุราก็ถามว่าแล้วพระเจ้าประทับอยู่ที่ไหนบอกพระพุทธนิพานแล้วอ๋อทำไมนิพานเนี่ยจะเดินทางตะกี่โยอดก็ตามโยมไปแน่นลยแต่ทีนี้ เ, เ, เมื่อท่านนิพานแล้วก็ขอถึงพระพุทธเจ้าแม้ประนิพานนานแล้ว สุจิราเปรินิตัมปีนะฮะสุจิราเปรินิตัมปีแม้ปรินิพานนานแล้วที่เที่เราเวลาแสดงตนในดวงวสุกเอเอซ่างบันเตสุจิ ร, ราเปนินิตัมปีตั้งประวันตั้งสนงันงเตังอาไรนี่แว่าไมแม้ปรินิพานนานแล้วพร้อมด้วยพระธรรมและประสงค์ว่าเป็นขนะที่พึงจะลึกตลอดชีวิตนี่คือแบบปฏิปทาของนักปราศนะฮะที่มีโลกทัศน์ ถูกต้องสมบูรณ์ในระดับของท่านแล้วตรงใดที่ท่านใช้ปัญญาไม่ได้ท่านก็ใช้ศรัทธาต่อพระอาหารหันต์นะอย่าลืมมาต่อพระอาหารหันต์ในตรงใดท่านใช้ปัญญาได้ท่านก็ใช้ปัญญาโดยใช้เหมาะสมสอดคล้องกับประสบการณ์ของท่านที่ท่านไม่มีประสบการณ์มากพอแหลงที่มาของสิ่งที่เรารับรู้ดีพอเราก็เชื่อไม่มีปัญหาอะไร อะแต่ท่านประประสบการประสบการณ์มากพอท่านก็ไม่ได้ใส่กับท่านได้ในขณะนั้นนั้นนั้นก็คือแนวของชาวพุทธแล้วหนังสือที่แจกในวันนี้ก็เน้นในแนวนั้นนะแล้วก็ยังไงยังไงถ้าเอาไปเนี่ยต้องอ่านนะถ้าไม่อ่านอย่าเอาไปเพราะว่าหนาาังสือนี้เล่นเอาเข้าโรงพยาบาลนะเนี่ยพิมหนังสือพิมพ์ทําต้นฉบับหนังสือเนี่ยฮะ พอมาถึงเกือบสามหน้าสุดท้ายเนี่ยตีพิมพ์ดีดเลขไม่ขึ้นเนี่ยนะไม่ขึ้นเข้าโรงพยาบาลไปไแต่ก็ได้ยังถือมันเล่มหนึ่งฮะยังไงก็เป็นอนุสรณ์ไปทังเสียงนึ ก, น, กนึกออกนึกตัวโรงพยาบาลได้ตอนนี้ก็เกิดคลาดไปหน่อยหนึ่ง ย, ยามันหายไปไหนเด็กก็ไปเก็บไว้เลยเมื่อก่อนหมอให้พักหนึ่งเดือนเดือนเดือนนี้ก็อนุโมธนาเพิ่มขึ้นสองเดือน กลป็นสามเดือนเมื่อวานก็เดินไปดิยังเหลืออีกสองเดือนที่ทิศสองไปเจอฝาเรก็ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่เมื่อวานเพื่อนก็ลากไปสภาวิจัยตกเย็นก็ไปชุ ม, มได้ทั้งวันกันก็บอทํางานในวัดได้ก็ไม่ว่าเทาไรแต่ว่าย้ายหนักนั้นก็ให้ไปรับหนังสือนะรับหนังสือที่จะอานถ้าว่าเพื่เพื่อนานแล้วสมมติว่าไม่พอก็ไปรับที่ศูนย์ได้ แล้ว้ก็ติไว้ใยเวลาสิ่งทันนี้ในที่สุดนี้เพราะความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจะมีได้ท่านทัหลายโดยทักก่วการทุกท่าน